เพราะฉนั้นอยากจะดิ้นมาให้หลุดก็ต้องลดละอารมณ์พวกนั้นลงถึงจะดิ้นหลุดออกมาได้ตอนนี้พอผู้เจ้าท่านสอนอย่างนี้ไปเสร็จปับ๊บพระาศาสดาตัดจบตรงนี้แล้วทรงรู้ว่าพระนางเขมาเทวีมีจิตควรและมีจิตควรละหมายความว่าไงฮะแสดงว่าฟังผู้เจ้าไปแล้วเนี่ยผู้เจ้าท่านตรัสไปแล้วเนี่ยโอ้โหเข้าใจเข้าใจแล้ว จิตควรแก่การงานเป็นยังไงจิตควรเนี่ยหมายถึงว่าเปิดอะจิตมันเปิดแล้วมันมีพลังศรัทธามีพลังของของความที่จะรับกุศลเข้าไปแล้วถึงเมื่อกี้นี่บอกว่าของเก่าเนี่ยมันโดนกระแทกกระทุง่งกระเทือนเอาเอาเออกไปวันมันจะมีช่องว่างที่จะให้ของใหม่ที่ดีๆเป็นกุศลเอาเข้าไปได้งั้นพระเจ้าเนี่ยพอท่านตัดสอนไปเนี่ยถ้ามียาน เพราะฉะนั้นท่านก็รู้ว่าอา น, นี่ของเก่าเริ่มหลุดออกไปบ้างแล้วเพราะฉะนั้นท่านเห็นช่องทางแล้วท่านจะเอาของใหม่ใส่เข้าไปก็ถึงใช้คําว่าจิตควรแล้วจึงทรงสแสดงมหานิฐานสูตรพระสูตรนี้เนี่ยมหานิฐานสูตรนะเป็นพระสูตรพระสูตรหนึ่งพระสูตรนี้ว่าด้วยเรื่องของความเวียนตายวนเกิดเพราะบิน ญ, ญาณและนามรูปเป็นปัจจัยของกันและกัน กระทั่งตรัสถึงความหลุดพ้นด้วยสมาธิและปัญญาคือพระสูตรนี้ก็ยาวพอสมควรนันก็พูดถึงเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดต่างๆนะัว่ามิเพราะเหตุนี้จงมาเกิดอย่างนี้อะไรนะเพราะอะไรอะ่ะชาติอะไรอะ่ะจะมาเกิดมันมาก็ไล่ไม่ถูกกันนะมันเกิดชาติชรามระโสกะปริเทวะอะไรอะไ ร, อะไรทํานองเนี้นะเป็นเหมือนกับปฏิจจสมุปบาทเนี่ย ว่าเพราะอย่างนี้แล้วไปเกิดอย่างนี้แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเออเออจนนั่นแหละก็ไล่ไปแล้วก็ไปจบตรงเอา้าไปเกิดอวิชชาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือเพราะเพราะจิตเราเป็นอย่างนี้มันถึงมีผลตามมาอย่างนี้แล้วพอมีผลอย่างนี้แล้วก็มีไอ้ที่ต่อมาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะไล่ไปเรื่อยนะเนี่ยทําให้จิตวิญญาณหรือทําให้เกิดว่าคนตายคนเกิดเนี่ย<ม>เกิดเพราะอย่างนี้แหละ แล้วตายแล้วทาไมต้องมาเกิดอีกต้องมาเกิดอีกเพราะอย่างนี้แหละเพราะมีภพมีชาติมีชะล า, ม, ามีโสโกะบริเทวะอะไรต่างๆแล้วก็เลยทําให้เกิดมานะจนสุดท้ายเนี่ยในพระสูตรนี้พระเจ้าท่านก็จะพูดเนี่ยแนะนําเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาต่างๆที่จะทําให้ดับกิเลสทุกพวกนี้ไปได้พระนางเขามาได้ฟังสูตรอันประเสริฐนี้แล้วระลึกถึงสัญญาแต่เก่าก่อนได้มังเกิดดวงตาเห็นธรรมในทันทีนั้น ดังนั้นจึงหมอบลงหมอบกราบลงที่แทบพระบาทของพระาศาสดาแสดงโทษของตนว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงผู้มีพระมหากรุณาเป็นที่ตั้งผู้เสด็จข้ามสงสารแล้วผู้ประทานอมะตะธรรมมอมฉันขอกราบนมัสการออมอมฉันขอถวายนมัสการแด่พระองค์ ม่อมฉันเกิดจิตแล่นไปสู่ทิฏฐิอันรกชัดทิฏฐิอันรกชัดก็ทิฏฐิที่มันมันไม่โปร่งมันไม่ราบรื่นมันไม่เรียบร้อยมันเป็นทิฏฐิที่รกชัดก็คือมันสกปรกมันรกเลอะมันหนาแน่นอะไรอย่างนี้ก็คือมิจฉาทิฏฐินั่นเองหลงไหลไปเพราะการมราคะแต่พระองค์ทรงช่วยแนะนำด้วยอุบายอันประเสริฐม่อมฉัน ขอแสดงโทษที่มัวเมายินดีในในรูปกายแล้วระแวงว่าพระองค์ไม่ทรงเกื้อกูลคนท่านหลายที่ติดอยู่ในรูปจึงไม่ได้มาเข้าเฝ้าพระองค์ผู้ทรงเกื้อกูลมากผู้ทรงประทานธรรมะอันประเสริฐหม่อมฉันขอแสดงโทษนั้นคือคือตอนนี้สารภาพบาปพูดง่ายกับพระพุทธเจ้าว่าว่าเนี่ยผิดไปแล้วจริง ที่ไม่ไม่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่าคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ไ ม, ไม่ไม่เกื้อกูลคนที่ยังมีกิเลสอยู่สมมติว่าติดอยู่ในรูปในรูปเนี่ยทำไมถึงว่าใครที่ยังยินดีพอใจในของสวยของงามเนี่ยนะพุทธเจ้าท่านคงไม่ไม่มาเกื้อกูลคือคือตัวเองเนี่ยราแวงอย่างนั้นเข้าใจผิดอย่างนั้น น, นก็เลยไม่ไม่ไปเข้าเฝ้าพุทธเจา้าเพราะว่าเพารพาะว่าอะไรถ้าไปเข้าเฝ้าเนี่ยก็ต้องเจอเนี่ยระพุทธเจา้าท่ต้องว่าอ้าวนะเป็นกามเป็นราคะเป็นความยินดีพอใจในของสวยของงามเป็นกิเลสเลยอ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าเนี่ยเนี่ยอย่างนี้แสดงว่าไม่เกลื้อกูนคนที่เขายังเขายังติดในรูปอ่ะเขายังติดในของสวยของงา ม, มอยู่คือคือคิดแบบง่ายๆ อตอนนี้ก็เลยเหมือนกับไม่เห็นใจนะไม่เห็นใจคนที่เขามีกิเลสบ้างเลยคือคิดอย่างนั้นจริงๆเพราะนัคิดอย่างนั้นแล้วก็มาเดี๋ยวก็ต้องมาโดนว่าเปล่าๆ เ, เ, เพราะฉะนั้นไม่มาเฝ้าเล ย, เลยดีกว่านั้นก็เลยสารภาพป่าบอกมานะพอพรุทธเจ้าท่านฟังแล้วท่านก็นบอกว่าสาธุพระนางเขามาจงรุกขึ้นมาเถิดก็แสดงวมาเหมือนกับว่าอะไรก็อ่า เหมือนกันให้อภัยอ่ะลูกคือมาไม่เป็นไรหรอกพระนางก็กระทาตามนั้นแล้วประนมมือนมัสการด้วยเสียงเกล้าก็ทําปะทักศิลปะทําปะทักศิลพระองค์แล้วก็เสด็จกลับไปเฝ้าพระเจ้าพิมพ์พิสารนางก็คื อ, อก็เดินเบียดขวา3มรอบเป็นการแสดงความเคารพเขาทากับคนเป็นเปๆ น, นะหรือว่ากับ กับวัตถุอะไรที่เราเครารพศรัทธาเขาก็จะเดินป่าทักษิณคือเบียนขวาสามรอบแต่ถ้าเป็นคนตายเป็นอะไรพวกนี้เขาก็แสดงความพารพแต่ว่าเดินเวียนซ้ายนะเดินเบียนซ้ายไม่รู้เข้าใจป่ะเนี่ยเดินเบียนขวาเดินเบียนซ้ายเนี่ยฮะถ้าเดินเคียนเวียนขวาหมายถึงเดิน น, นาฬิกาดูนาฬิก า, า, กาเดินตามเข็มนาฬิกา<ม>นะคือคือเดินเบียนขวาแต่ถ้าเดินเบียนซ้ายเนี่ยก็หมายถึงว่าเดินทวนเข็มนาฬิกานะ<ม>อะไรน ะ, <ม>ะให้สิ่งที่เราเคารพหรือคนที่เราเคารพน่ะอยู่ขวามือของเราเเอาขวามือเนี่ยอยู่<ม>อยู่ทิศเดียวกับ อ, อยู่มุมเดียวกับ กับคนที่เราจะเดินเบียนรอบอ่าแต่ถ้าเป็นคนตายเนี่ยก็เอาซ้ายมือนะอยู่กับสิ่งที่เราจะเดินเบียนรอบนั้นอมพระวังอย่าไปเบียนผิดนะ <c oughs> เดี๋ยวซ้ายขวาก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ขอให้เดินเบียนนะ <c oughs> ระวังเอะเดี๋ยวคนอื่นก็จะมองหน้าอาอ่า <c oughs> เสร็จแล้วตอนนี้ก็พอ ถวายบังคมพระเจ้าเสร็จจะมาทำความบริลบเสร็จแล้วก็ก็กลับไปหาพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงชนะข้าศึกหน้าชมอุบายอันเป็นกุศลยอดเยี่ยมนั้นที่พระองค์ทรงํำบิแล้วให้มอมฉันปรารถนาไปชมพระมหาวิหารเวรุวันได้เข้าเฝ้าพระาศาสดาบัดนี้ถ้าพระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดให้มอมฉันผู้เบื่อหน่ายในรูป ตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ขอบวชอยู่ในพุทธศาสนานี้เถิดเพคะขอบวชเลยแล้วนะแค่พบพระเจ้าพระเจ้าสอนแค่ครั้งนั้นเท่านั้นเองนะโอ้โหเกิดดวงตาเข้าใจเลยนะเห็นธรรมะเลยเบื่อในในรูปเลยทั้งทงี่ติดมามากเลยนะเนี่ยพนางเขามาเนี่ยโอ้โหติดรูปสวยรูปงามมากเลยโอ้ผู้ เพระพระพุทธเจ้าครั้งเดียวนี่คือบุญบารมีที่สะสมมาเยอะวันทำให้เนี่ยเหมือนกับบัวที่กำลังะบัวกำลังจะบานนะที่แบบว่าแหมพอแค่รับแสงอาทิตย์เท่านั้นก็พร้อมที่จะบานได้คือคือคือสัมผัสท ร, ร ม, ม้ากับพร้อมที่จะรับได้เลยตอนนี้พอขอขอบวชเสร็จดูก่อนพน้องนางพี่อนุญาต บรรพชาจงสําเร็จแก่เธอเถอิดพระเจ้าพิมพิสารก็ให้เลยท า, ทางทั้งที่จริงๆพระเจ้าพิมพิสารก็โปรดปานพระนางเขามามากเลยนะแต่ถ้าจะไปดีนี่ไม่ขวางเลยจะไปดีนี่เอาเลยให้ยกให้เลยเ <ious. S 1> มื่อภิกษุณีเขามาบวชแล้วเจ็ดเดือนขณะบําเพ็ญเพียรอยู่นั้นวันหนึ่งเพ่งมองดูโคมไฟ ที่เดี๋ยวก็จุดสว่างสวยัยเดี๋ยวก็ดับวูบไปจึงบังเกิดจิตสังเวชพิจารณาเบื่อยนายในสังขารทั้งปวงเ ข, ใใปจจาาเข้าใจในปัจจัยการนั้นเข้าใจในปัจจัยการคือเข้าใจในเหตุในผลในที่มาที่ไปต่างๆนะข้ามพ้นโอคะสได้แล้วบรรลุธรรมเข้าสู่สภาพอรหัตตผลในทันทีนั้นคือจริงๆเนี่ย บวชแล้วก็พิจารณารรมมาจนกระทั่งจะได้เป็นพระอารหันต์อยู่แล้วตอนนี้ภิกษุณีเขามาเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยพิจารณาเห็นไฟสมมุติเหมือนกับเราเห็นไฟนิออร์ในบางทีนะถ้ายุคนี้นะยุคนี้บางทีเราเห็นไฟดีออนเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับ ใครใครเคยเห็นมัง่งหรือใครไม่เคยเห็นมัง่งนะส่วนใหญ่เคยเห็นทุกคนนะนะเออแต่อาจจะไม่เห็นเหมือนพระนางเขามาเออพิกษุณีเขามาพิษุณีเขามาเห็นแล้วก็โอ้โหพิจารณาเลยเข้าใจเลยเอามาเปรียบเอามาอุปม า, มาเปรียบกับสังขารร่างกายเปรียบกับเนี่ยของสวยของงามของไม่สวยของไม่งามนะ้มันสว่างสวยัยเดี๋ยวมันก็ดับพุ่ม เนี่ยเข้าเข้าใจเรื่องความไม่เทีย่ย ง, ง, งเรื่องอนิจจังเรื่องอะไรต่างปรากฏว่าบรรลุธรรมเลยสําเร็จเป็นพระอารหันต์เลยข้ามพ้นโอคะสี่ข้ามพ้นโอคะ ส, สีก็หมายถึงว่าข้ามพ้นกามภพทิฐิแล้วก็อวิชชานาะสีอย่างเขาเรียกว่าโอคะสีอ่ะตอนนี้ปรากฏว่าเออเป็นผูุ้ติเจ้าเออเป็นพระอารหันต์แล้วนะ พระเขมาเทรีเป็นผู้มีความชํานาญในอภิญญาหกปฏิสัมพิทาสี่ฉลาดในวิวสุทธิทั้งหลายนะวิสุทธินี่คือย่างเช่นวิสุทธินี่คือความบริสุทธินั่นเองความหมดจดนะฉลาดในในความบริสุทธิ์ความหมดจดในศีลในจิตในทิฏฐนะิทิฏฐิก็เป็นสัมมาทิฏฐิจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ นะัศีลก็เป็นศีลที่บริสุทธิ์คร่องแค่วในคาถาวัตถุคล่องแค่วในคาถาวัตถุหมายถึงว่ารู้จักพูดน่รู้จักพูดถนะ้อยคําที่ควรพูดนนคาถาวัตถุเนี่ยคือคือรู้จักพูดในสิ่งที่ควรพูดเป็นอะไรเป็นธรรมะเป็นความสัมโดเป็นอะไรตั้งหลายข้อจำไม่หมดนะ นั่นแหละรู้จักพูดในสิ่งที่ดีๆที่เป็นกุศลต่างๆสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นเรื่องอะไรไม่เข้าที่ไม่เข้าท่าเป็นเรื่องไร้สาระไร้ประโยชน์เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดถึงอะไรไม่พูดเนี่ยเนี่ ย, ยข้องข้องแคล่วในคาถาวัตถุรู้จักใยยะแห่งอภิธรรมรู้จักความสำคัญในอภิธรรมนี่ก็หมายถึงธรรมะชั้นสูง อภิอภิก็คือยิ่งธรรมะอันยิ่งธรรมะชั้นสูงธรรมะชั้นสูงนี่หมายถึงจิตเนี่ยเล่นจิตอภิธรรมนี่เขาเล่นจิตเป็นดวงดวงที่พ่อท่านชอบพูดอยู่เรื่อยอ่ะเนี่ยพวกอภิธรรมเนี่ยก็จิตเป็นดวงดวงดวงนั่นดวงนี่ดวงโน้นเพราะอภิธรรมเนี่ยหมายถึงพวกจิตพวกเจตสิตพวกรูปพวกนิพพานนะก็ปรากฏว่าเป็นคนที่เก่งมากนะพนางเขมมาเนี่ยเออ พระเขมาเถรีแล้ววันหนึ่งขณะที่พระเขมาเถรีนั่งพักอยู่บริเวณโคนไม้แห่งหนึ่งมารผู้มีบาปได้เข้ามาดลจิตว่าแม่นางเขมาเอ๋ยเจ้าก็เป็นสาวสาัการมีรูปโฉมงดงามแม้หนุ่มๆนุมวัยรุ่นทั้งหลายก็หมายร่วมอภิรมด้วยจงไปเถิดไปร่วมรื่องรมเขาเสียงดนตรี ทั้งหลายกันเถิด น, นะนี่ยังมีอะไรมารแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรมารประเภทนี้เออเป็นพวกการมาสัญญาเป็นพวกของเก่าที่ตัวเองเคยเคยติดอะ่ะแต่นี่เป็นระดับอะไรแล้วตอนนี้พระอาหารหันแล้วโอ้การสัญญาจะขึ้นมาหรือจะมีมามาเหมือนกับมารเนี่ยมารมาโดนจิตมาดนใจอะไร ไม่มีปัญหาพระเขมาเถรีไม่ได้วันไหวแต่อย่างใดเลยตอบโต้ด้วยอาการอันสงบเย็นว่ามาเราอึดอัตระอาในกายอันเปื่อยเน่ากรสับกระสายมีความแตกดับเป็นธรรมดานี้เราถอนการมาตัญหาได้หมดแล้วการทั้งหลายอุปมาดังหอกแลลเหลาทิมแทงขันทั้งหลายเอาไว้นั้นบัดนี้ ความยินดีในการทั้งสิ้นไม่มีแก่เราแล้วเรากําจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงได้แล้วทําลายกองแห่งความมืดได้แล้วดูก่อนมารใจบาปเจ้าจงรู้ไว้อย่างนี้เรากําจัดเจ้าได้แล้วเราไม่ใช่พวกคนผานที่ไม่รู้ความเป็นจริงพากันกราบไหว้ดวงดาวบูชาไฟอยู่แล้วสําคัญว่าเป็นความบริสุทธิ์ แต่เรากราบไหว้บูชาทําตามคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงพ้นจากทุกทั้งปวงเผากิเลส ท, ทั้งหลายสิ้นกิจในพระพุทธศาสนาเราได้กระทาเสร็จแล้วมามิอาจทำได้ดังปรารถนาจึงหายวับไปในทันใดต่อมาพระเขมาเถรีเที่ยวจาริกไปในแคว้นโกศลแวะพักอยู่ที่โตรนวัตถุแห่งหนึ่ง ในนี้เขาใช้คำว่าตรวนวัตถุจริงๆแปลง่ายๆก็คือค่ายนั่นเองน่าค่ายแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างกรุงสาวัตถีกับเมืองสาเกตครั้งนั้นพระเจ้าประเสณที่โกศลสเสด็จไปหาพระเขมาเถรีถึงที่พักเพราะได้ยินชื่อเสียงอันฟุ้งขอจรไปของพระเถรีรูปนี้ว่าพระเขมาเถรีเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมมีปัญญามากเป็นพระหูสูตรมีถ้ยคไพเราะมีปฏิพานดี อันนี้อันนี้เป็นชื่อเสียงของอพระเคมาเถรีพระองค์ได้ตรัสถามปัญหาว่าข้าแต่แม่เจ้าเมื่อสัตว์โลกตายแล้วเบื้องหน้าย่อมเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกหรือเกิดอีกก็มีและไม่เกิดอีกก็มีหรือเกิดอีกก็ไม่ใช่และไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่พูดง่ายว่าถามทุกแง่มุมเลยคือมันจะมีอยู่แค่เนี้มันไม่เกิด น, นี้แล้ว แต่ถามเรื่องว่าถ้าสัตว์โลกเนี่ยรวมทั้งคนรวมทั้งสัตว์เนี่ยนะถ้าตายแล้วเนี่ยเกิดอีกมีไหมหรือว่าไม่เกิดอีกหรือว่าเกิดก็มีหรือว่าไม่เกิดก็มีหรือเกิดก็ไม่ใช่ไม่มีเกิดเกิดไม่ใช่เงี้ยถามหมดทั้งสี่มุมอันนี้พร ะ, ะนางเข็พระเขมมาเทรีก็ตอบว่าขอถวายพระพรปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงพยากรคือไม่ตอบถ้าแต่พระแม่เจ้าก็และอะไรเล่าเป็นเหตุสำคัญให้พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงพยากรปัญหาเหล่านี้คือทาไมทำไมผู้เจ้าไม่ตอบปัญหาอย่างนี้ว่าเนี่ยเอาคนเกิดไม่มีเหรอหรือว่าตายไปแล้วเกิดอีกไม่มีเหรออ ย, อย่างเงี้ยขอถวายพระพรอัตมาภาพขอถามมหาบาพิตรบ้าง มหาปพิธมีนักคํานวณ น, นักประเมินหรือนักประมาณก็ตามจะสามารถคํานวณทรายในแม่น้ํำคงคาได้ไหมว่าทรายมีประมาณเท่านี้100เม็ดพันเมตรห0 0 0นเมต็ 0,000 เมตรคํานวณได้ไหมว่าเนี่ยทรายในแม่น้ํำคงคาเนี่ยแม่น้ำคงคายาวเย้ยเนี่ยพอคํานวณได้ไหมว่าทรายในแม่น้ําคงคามีทั้งหมดกี่เม็ดพอคํานวณได้ไหม นะพระเจ้าประเสริฐที่ก็สมก็บอกว่าไม่มีนักคำนวณเช่นนั้นได้เลยแม่เจ้าก็แล้วมหาบาพิษจะมีนักคำนวณซึ่งสามารถคำนวณ น, น้ำในมหาสมุทรว่าน้ำมีอยู่เท่านี้อารหกกะเป็นเป็นชื่อนะาเหมือนเดี๋ยวนี้ก็บอกว่ามีกี่ลิตรอะไรอย่างเงี้ยร้อยพันหมื่นแสนอารหกกะเนี่ยพอจะคำนวณ น, น้ำในมหาสมุทรได้ไมว่ามีเท่านี้เท่านี้ ไม่มีเลยแม่เจ้าคือหาใครมาคำนวยไม่ได้หรอกนั่นเพราะอะไรเล่ามหาปอพิธเพราะมหาสมุิเป็นของลึกประมาณไม่ได้ยังถึงได้ยากฉันนั่นแลมหาปอพิธการกำหนดความเกิดของสัตว์โลกนั้นเป็นของลึกประมาณไม่ได้ยังถึงได้ยากดุดมหาสมุดฉังนั้น <c oughs> นี่คือคำตอบของพระเขมาเถรีเนี่ย บอกว่าเนี่ยที่พุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่ตอบปัญหาพวกนี้เนี่ยคือแทนที่จะตอบตรงๆงเนี่ยนะก็ตอบเป็นคําถามกลับไปที่พระเจ้าเปรตที่โกศลว่าเนี่ยคานวณได้ไหมพวกเนี้ยพวกเม็ดทรายในแม่น้ําคงคาหรือหยดน้ําในมหาสมุทรเนี่ยคํานวณได้ไหมพระเจ้าเปรตที่โกศลเป็นคนตอบเองว่าคํานวณไม่ได้เพราะว่ามันโอ้โหมันลึกมันประมาณยากมันยังไม่ถึงนั่นคาตอบของพระเจ้าเปรตทีโกศลนั่นแหละ เป็นคำตอบที่พระเกมาเถรีเอามาตอบพระเจ้าประเสนที่โกศนว่าก็เหมือนกันว่าที่ที่บอกว่าสาตร์โลกเนี่ยเกิดไหแล้วจะเกิดอีกไหมหรือไม่เกิดอีกไหมเนี่ยมันตอบอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันประมาณไม่ได้มันยังถึงยากนั่นแหละพระเจ้าประเสนทิโกสลทรงพอพระทัยในคําตอบยิ่งนักอนุโมทนาภาษิคนั้นแล้วเสด็จลูกจากอาสนะไหว้พระเถรีทรงกระทําประทักษิณ แล้วสเสด็จจากไปต่อมาพระเจ้าปเสนที่โกศลได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วตรัสถามปัญหาเหล่านั้นอีกคือตรัสถามเหมือนกับที่ถามพระเขมาเถรีพระาศาสดาก็ทรงตอบเช่นเดียวกับพระเขมาเถรีทําให้พระเจ้าประเสนที่โกศลถึงกับทรงอุทานว่าอัศจรรย์จริงไม่เคยมีพระเจ้าข้าที่เนื้อความกับเนื้อความพยัญชนะกับพยัญชนะ ของพระศาสดากับพรกับพระเขมาเถรีในการตอบปัญหานี้เทียบเคียงกันได้สมกันได้ไม่ผิดเพี้ยนกันในบทที่สำคัญเลยน่าอัศจรรย์นะักนี่เป็นปัญญาเป็นความสามารถของพระเขมาเถรีที่สามารถตอบได้เหมือนกับที่พระเจ้าตอบโดยที่คาถามนี้พูะเจ้าก็ไม่รู้มาก่อนพระเขมาเถรีก็ไม่รู้มาก่อน แต่ตอบได้ตรงกันพูดง่ายพระาศาสดาทรงพอพระไทยในปัญญาของพระเข็ของพระเขมาเถรีนี้จึงทรงแต่งตั้งพระเขมาเถรีไว้ในตําแหน่งเอตัคคะเอตะคะัคะคะคือผู้ที่มีความชํานาญยอดเยี่ยมพิเศษแต่งตั้งว่าพระเขมาเถรีเป็นผู้เลิศ ด, ด้วยปัญญามากเหนือกว่าพวกภิกษุณีสาวิกาของเราทั้งปวง เป็นดังตราชูมาตรฐานของภิกษุณีสาพิกาของเราทีเดียวยกย่องนะวันเนียยอดเยี่ยมในเรื่องของปัญญานะอันนี้ทางฝ่ายภิกษุณีนะก็ยอดเยี่ยมในเรื่องปัญญาเลยนะสำหรับพระเกมาเถรีเป็นผู้มีปัญญามากเหนือกว่าภิกษุณีรูปอื่นๆนนะแล้วก็ยกว่าถ้าภิกษุณีอื่นจะบวชเข้ามาเนี่ยนะก็ให้เอาพระเกมาเถรีเนี่ย เป็นตัวอย่างหรือเป็นมาตรฐานของภิกษุณีของของของพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าจริงๆมีสองมีอยู่หลายคนอยู่ที่พรุทธเจ้าท่านยกไว้ว่าเป็นภิกษุณีตัวอย่างเป็นมาตรฐานตัวอย่างที่ภิกษุณีอื่นๆเนี่ยจะปฏิบัติตามภิกษุณีตัวอย่างพวกนี้มันเป็นการยกย่องมากอ่าวมาดีของท่านี้